คือแนะนำาั่งสอนดุดาว่ากล่าวโลกโลกรายใดบ้างให้เกิดความทิหายล่มกลแเราเคยเห็นมีไหมท่านผู้เป็นแบบเป็นฉบับก็คือพระพุทธเจ้าไม่ว่าแสดงทั้งดีทั้งชั่วทั้งชั่วใ น, นแนง่ลิขิแห่งทำใดก็ต่างย่อมจะมีทั้ง ทั้งร้อนทั้งหนักทั้งเบาหรือทั้ทงดุทั้งด่าตามแต่เหตุการณ์นั้นๆที่ควรจะแก้ไขดัดเปลี่นกันอย่างไรขั้นผู้เป็นแบบฉบับท่ า, บ า, ทานเป็นมาอย่าง้รเราจะเห็นได้ในธรรมหรือในอยีไนที่ท่านแสดงว่ามีหลายประเภทหนักเบ า, ต, า, บาต่างกันเปนนน็นลำดับดาล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเป็นธรรมชาติที่ปราบความขั่วของสัตว์ทั้งนั้น ภาษาโกลอดคูวาจานท่านก็ดำเนินอย่างนั้นแล้วรัวปากฎหมายว่าคูวาจานองไหนที่เขาเคารพเรื่องสายท่านท่านแนะนำสั่งสอนโลกให้มีให้ล่ ม, มสหายไปนั่นทั้งดุดาา่าว่าเก่าทั้งดีถ้าเรามีความ ลับใกล้กล้ชิดกับทําสนใจต่อธรรมเราก็ย่อมมีความสนใจต่อเหตุต่อผลต่ออาจต่อธรรมการแนะนำสั่งสอนหนักเบามากน้อยเช่นการดูด่าว่ากล่าวเป็นต้นได้อย่างฉนิจัจแต่ถ้าเราราักเราสงหวนกิเลสแล้วก็ไม่มีอะไรแตะได้มันจะถูกกิเลสมันจะไปสัมผัสสัมพันธ์กิเลสกิเลสจะถลบบอกกรอบเปิดออกไปคนนั้นกล่องหวงไว คนนั้นก็เข้าใกล้กลาวัดใกว่าใกล้ครูบาอาจารย์ไม่ได้ฟังอัดฟังทำไมได้เพราะพิเด็จมันไม่ให้มันให้มันไม่ให้มา ไ, ไ, ไม่ให้สนแก่กับทำปกติธรรมชาติของพิดเด็จเป็นสิ่งที่เป็นข่าสุดต่อทำอยู่แล้วยิ่งได้ยินว่าครูบาอาจารย์ที่ด่าวว่ากล่าวนั้นก็คือเป็นเรื่องของที่ปราบพิเด็จนั่นเองพิดเด็มันจึงต้องบอกว่า ดุนะอาจารย์นั้นดูอาจารนี้ดุมันกลัวมันจะพรงออจากจิตใจของคนมันจึงต้องมาบอกว่าอาจารย์นั้นดูอาจารนี้ดุอย่าไปมันไม่ได้บอกว่าการดูนั้นท่านตีนักผ่าเราท่านตีนากี่เลยคือให้หลุดลอยประจักใจของจักรโลกมันไม่บอกตรงนั้นเพราะพิเดตมันจะไม่บอกของจริงจะบอกแต่ของอปลอมๆเพราะนั้นโกหกทั้งทั้งนั้น เป็นข้อคิดเขาอย่างนี้แล้วเป็นผู้ฝ่ายใจในอัในยธรรมก็ควรจะคิดเรื่องเหตุเรื่องผลการประตื่นลมตื่นแลงเอาเสียอย่างเยอยวนี่ไม่ใช่ผู้ถูกพุทธเพราะพุทธศาสนาพุทธแสดงโดยเหตุผลเท่านั้น ไม่ใช่สอนคนให้ตื่นลม้าจะดีดีเฉยๆขึ้นมาไม่ได้ถ้ามารับการอบรมสั่งสอนดูดาว่ากล่าวไว้ก่อนดูๆก็จะเป็นเทวดาขึ้นมาเลยเป็นพบทผู้บริสุทธิ์กุศลขึ้นมาเลยนั้นเป็นอาถาน่ามันเป็นไปไม่ได้จุงต้องใช้การแนะนำสั่งสอนหนักเบามากน้อยตามแต่เหตุการที่ สึ่งชัวช่วท้าระมุขทั้งหลายนั้นมันจะหมดสิ้นไปได้ด้วยอุบายต่างๆในการขาวการขาังนั่นแหละธรรมต้องเป็นอย่า ง, งานั้นจะให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ควรจะหนักต้องหนักควรจะเบาต้องเบาควรดุต้องดูเรื่ อ, ของของธรรมดุก็ ด, ด, ดุเพื่อปราศเพื่ปราบความชั่วหนักเบามากน้อยมีแต่เร <ś Okey? S 2> <recycling S 1> ื่อง ความทั่วสอนวิธีแก้ความทั่วปราบความทั่วทั้งนั้นไม่ได้ปราบคนให้ล้มตมเสียหายไม่ได้สอนคนให้ลงตุ่มเสียหายสอนให้แก้ที่เดียที่พาคนล้มตมเสียหายต่างหากผูดนี้เขาปฏิบติเขาจะได้หรืได้เขาเขาก็จะคิดไม่เขาอยากได้ ทั้งๆย้อนมาว่าตาบจับรรว่าจะสอนคนพว่โลกนั้นเลยว่าตาบรรจักรนีมีพระจานวนมากเท่าไหร่อย่างนี้เต็เเมเต็มเอบไหนแล้วเคยได้ยินออกไปข้างนอกหมายว่าท่านอาจารย์หาบัวได้สั่งสอนพราให้ิกเกิดความผิดายไว้ปวงล่มจมกันนาวไปหมดมีเคยมีไหมถ้าการสอนเรื่นี้เป็นความเสียหายผลมันแสดงรอรอะไรารอะไรไฟังได้รู้บ้างมีไหม ไปไหนก็แบกเป็นแต่ที่เดลอดไปเข้าไปวัดก็แบกทะเดือดไปเข้าไปหาพระก็แบกที่เดือดเข้าไปไปทําลายวัดทําลายพระอย่างนั้นเป็นของดีแล้วเหรอถ้าจะทําลายที่เดือดบนหัวคนบ้างจะไม่ดีเหรอวัดเป็นสานที่ทำลายที่เดือดทำลายจึงแบบที่เดียดเข้าไปเผาวัดจิงแบบที่เยือดเข้าไปเผาพระมันถูกเกอาแล้วเหรออย่างนั้นถ้าเห็นว่าพระเป็นคือ สถานที่นั้นเป็นที่สงบเยือกเย็นเป็นที่จะให้อัดให้ทำถ้าเป็นผู้ที่ควรให้อัดให้ทำได้แล้วเราก็ควรทางการตามเหตตามผลถึงจะถูกตามหลักของชาวพภูผู้สอนในค น, ก, น, คนาาก็หลักไม่คนโง่ตามพิริศหลอกลวงอย่างเดียวพูดจบลงโอ้ยดุอย่างนี้ก็อยากให้ดูวันนั่งค่ํำแหละพูดตรงไหนไม่เคยได้ยินกลับที่ไหนวะ มันจับใจไปเร่อแล้วเลืงซึง้งซึ้งพอพูดทางนี้แล้วใครจะซึงซ้งมาซึ้งก็พี่นาเอาถ้าดูหรือไม่ ด, ดูก็พี่นาเอาแม่สอนเจ้าของก็มีหนักมีเบาเหมือนกันอย่าว่าถึงสอนโลกสอนประชาชนท่านึ่งเลยนั้นยังไมไ่ถึงมือถึงไม้เลย สอนแต่ปากเฉยๆดูก็ดูแต่ป่ากไม่เคยเคชี่ยนเคยตีสอนเจ้ของนี่เชี่ยนด้วยวิธีทรมานไอ้ด้วยวิธีทรมานพวกจ้ากลำบากแค่ไหนเหลือตายถึงได้มีชีิตมาหนักยิ่งกว่าการสอนคน อ, อื่นเป็นอัไหนสอนเจ้ของทรมาณเจ้าของแต่เจ้าของเองก็ไม่เห็นว่าเจ้าของได้มีความโหดร้ายทารินต่อเจ้าขององนั้นอย่างนี้ก็ไม่เคยรู้สึกไม่เคยมีความคิดอย่างนี้นะไปเห็นราเห็นว่าการ ทำทุกอย่างของที่นั่นเป็นความชอบธรรมเท่านั้นแล้วยังภูมิใจแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่าหนกว่าหนึ่งมีความรู้เท่าหนกวา่ า, นนวานหนึ่งนี่เราจะเป็ภูมิใจหนึ่งวิธีการของเราอยู่มเป็นเช่นนั้นแล้วการแนะนำสั่งสอนคนอื่นถ้าจะเห็นรับป็นที่เป็นภัยมันก็โกรใจแเรามีอะไรที่จะต้อนรับโลกเรามียังไงแล้วก็สอนก็ต้อนั้นกันตามเรื่องตามร า, าที่เกิดที่มีเท่านั้น ถ้าจะยื่นได้ก็ได้ไม่ได้มันก็สวนกายมันถุกวิสัยไม่มีอะไรแลว้วเพราะการติดเครื่องมันตนก็ทํามาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็นทรงทํามาอย่างนั้นเหมือนกันน้ำจริงรที่ทํามาแล้วนี้ในสามสามโลกมันผิดไปก็ยอมรับไม่ค้างแต่คนนั้นที่ว่าถูกต้องแล้วนั้น่ะถ้าว่าผลดีเกิดขึ้นเจ้ของก็ให้ภูมิใจถ้าผลไม่ดีเกิดขึ้นเพรความทุกขทาง้าของก็อย่า ดูตัวนะนะว่าได้ถูกกิเลสหลอกแล้วนั่นเสียงอัดเสียงทำเป็นเนลินไปหมดเสียงของกิเลสแล้วกล่อมเหมือนยิ่งกับเพลงลูกทุ่งลูกกลุงนั่วนวิ่งมาให้ดีได้ทุนนึกถึงดอกก็ไม่รู้แล้ว วันนี้เลือกกันนะน่แค่นี้แหละพักกันหน่อยดีกว่